อุปมาว่าชีวิตเนี่ยคือการเดินทางอันนี้เป็นอุปมาที่เราได้ยินอยู่บ่อยๆการดำเนินชีวิตก็คือการเดินบนเส้นทางนะที่ทอดยาวแต่เราไม่รู้ว่ามันจะยาวไปถึงไหนและข้างหน้าจะเป็นอะไรคนที่เดินทางเนี่ยมยีหลายประเภทนะแต่มี2ประเภท ใ, ใหญ่ๆนะที่ น่าสนใจนะประเภทแรกคือนักท่องเที่ยวปเภทที่สองคือนักสำรวจถ้าท่องเที่ยวเนี่ยเวลาเขาเดินไปที่ไหนก็ตามก็จะสแสวงหาความสะดวกสบายไปหาที่ที่มันมีวิวชิวทัศสวยงามแล้วก็ปรารถนานะสิ่งที่ให้ความร่มรื่นถ้าไปเจอเส้นทางไหนที่มันขรุขระ เป็นทางชันมียญารกหรือว่าเป็นที่ที่ทุรกันดารเขาก็ไม่ชอบจะบนว้อยวายขัดอกขัดใจเพราะว่าเขาสแสวงหาความสะดวกสบายหรือว่าสิ่งที่ถูกใจคือที่มันมีร่มเงาแดดไม่ร้อนมีลมเย็นสบายถ้าเจอหนยที่อากาศร้อนอ้าว ก็จะหงุดหยิดนี่าตนักสำรวจนะสำรวจเนี่ยไม่ว่าเดินทางไปที่ไหนมันจะลำบากยังไงเขาก็ถือว่าได้ความรู้จะไม่หงุดหงิดหัวเสียและทางจะลำบาก อย่าจะรกทางจะชันเพราะว่าได้รู้ว่าตรงนี้มันเป็นอย่างนี้ตรงนี้ทางมันรกตรงนี้นะมันธุรกันดารก็พอใจเพราะได้ความรู้วีสัยพนักสำรวจนี้ก็เป็นผู้ใฝ่รู้ไม่ได้แสวงหาความสุดกสบาย ้าเจอสถานที่ที่มันร่มรื่นมีทานใสมีน้าตกเข <_ S 1> าก็พอใจไม่ใช่เพราะว่ามันถูกใจแต่เพราะได้ความรู้ว่าตรงนี้มันมีธรรมชาติแบบนี้เมื่อเราเจอถิอนทุรกรันดาลน่าจะเป็นเฉยทรายนะ นอกจากเขาจะพอใจที่ได้ความรู้แล้วเขาจะสำรวจต่อไปนะว่าเออมันมีอะไรให้เรียนรู้บ้างอาจจะพบว่ามีมแมลงบางชนิดอาจจะพบว่ามันมีงูบางชนิดหรือว่ามีมแมลงป่องตะขาบซึ่งล้วนแต่เป็นสัตว์ที่มีพิษ แปลว่าเขาก็ได้ความรู้นะเออมันมีสัตว์ชนิดนี้ส่วนนักท่องเทีย่ยวนะเจอสัตว์เหล่านี้ก็จะตกใจไม่ชอบรังเกียบมีความขยะแขยงเัาสำรวจนี่แม้เจอความยากลาบากยังไงเราก็ถือว่าดีทั้งนั้น เพราะว่าได้ความรู้เจอสัตว์ที่มีพิษจะเป็ น, นแมลงพึ่งต่อแตนหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานที่อันตรายเช่นตับขาบงูเขาก็อยากจะรู้นะว่าเออมันมีพิษแค่ไหนในความอยากจะรู้ว่า มันมีพิษอย่างไรหรืออยากจะรู้นิสยัยธรรมชาติของมันบางครั้งไก่ทำให้เขาต้องเจ็บต้องปวดเพราะถูกมันกัดมันต่อยแต่เขาก็ไม่ได้โมโหโกรธาก็ถือว่ายอมแลกเพื่อได้ความรู้แล้วบางทีก็จำเป็นนะถ้าต้องการรู้ว่ามันมีพิษแค่ไหน มันมีนักธรรมชาติวิทยาคนหนึ่งนะมีชื่อมากเพราะเป็นคนที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับมแมลงต่างๆทั่วโลกแลวส่วนใหญ่ก็เป็ น, มนแมลงที่มีพิษมดพึ่งต่อแตนถ้าจะทำความเข้าใจนิสัยใจคอธรรมชาติมันก็ต้องยอมเจ็บยอมปวดเพราะถูกมันต่อยถูกมันกัด แต่เขาก็ยินดีก็ถือว่าแลกเป็นสิ่งที่ต้องแลกเพื่อได้ความรู้แล้วเขาก็เชื่อว่าความรู้เหล่นี้มันเป็นประโยชน์นะต่อมนุษยชาติและตอนหลังไอการถูกต่อยเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นผลข้างเคียงกับการไปศึกษาธรรมชาติของมแมลงหรือสัตว์เหล่านี้ไม่ใช่ต้องยอนให้มันต่อยเพื่อที่จะได้รู้ในซ้ำนะว่า ไอ้พิษน้งมันเนี่ยมันรุนแรงแค่ไหนเพราะเขาตั้งใจจะทำดัชนีหรือว่าคะแนนนะของพิษของสัตว์ชนิดต่างๆตั้งแต่0ถึง4 4นี่ถือว่าหนักมากไอ้แมลงเช่นต่อแตนชนิดนี้เนี่ยมันมีพิษแค่ไหน อยากจะรู้ต้องให้มันต่อยให้มันกัดถามว่าเจ็บไหมปวดไม้มปวดนะแต่ว่าเขาไม่ได้ทุกข์เลยเพราะว่าก็ได้ความรู้ก็เลยรู้ว่าอพึ่งนี่ส่วนใหญ่แล้วนี่ผิดของมันก็กแค่สองเท่านั้นแหละแต่ต่อแต่บางช น, นิดนี่พิดของมันีะถึงสี่เลยทีเดียว ความรู้แบบนี้จะได้มาก็ต้องยอมเจ็บยอมให้มันต่อยอ น, นี่เป็นวิสัยของนักสํารวจนะก็คือว่าไม่กลัวทุกข์ไม่กลัวลําบากและบางทีก็เข้าหามาันซะด้วยเพราะว่าเป็นส่วนของการเรียนรู้หรือการได้ความรู้ให้ธรรมชาตินักสํารวจเป็นอย่างนั้นแหละนะคือว่าไม่ได้สแสวงหาความสะดกสบายแต่มุ่งที่จะ แสวงหาความรู้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเส้นทางที่เดินสถานที่ที่ไปสํารวจมันจะลำบากอย่างไรเขาก็ไม่ได้ทุกข์ไปกับความยากลำบากแถมยินดีด้วยซ้ำเพราะได้ความรู้เวลาคนเราดําเนินชีวิตเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็ดําเนินชีวิตอย่าง นักท่องเที่ยวคือแสวงหาความสุดวกสบายจากชีวิตอะไรที่มันถูกใจก็เข้าหาและแสวงหาแต่ปัญหาคือว่ามันไม่มีอะไรที่จะถูกใจเราร0 0เซนในชีวิตนี้มันก็มีทั้งสิ่งที่ถูกใจแล้วก็ไม่ถูกใจ ในคนที่แสวงหาความถูกใจโดยเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจก็เกิดความทุกข์เกิดความหลุดหิดเกิดความแค้นเคืองเกิดความเครียดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นรูปรสกลิกก่นเสียงให้การที่แสวงหาสิ่งที่ถูกใจก็ทำให้คนจำนวนมากกลายเป็นผู้ใฝ่เศษใฝ่เศษใฝ่เศษสิ่งที่ถูกใจ อันนี้เรียกว่าใช้ชีวิตเหมือนกับนักท่องเที่ยวเนี่ยแสวงหาแต่สิ่งที่ถูกใจสิ่งที่ปลนเปิดตนความสะดวกสบายแต่ชีวิตแบบนี้มันก็มักจะลงเอยด้วยความทุกข์นะเพราะอย่างที่บอกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมีแต่สิ่งที่ถูกใจบนเส้นทางชีวิตนี้ แต่สิ่งที่ไม่ถูกใจนี่มันมีมากกว่าด้วยซ้ำและแม้แต่สิ่งที่ถูกใจมันก็ถูกใจประเดียบประดาชั่วครั้งชั่วคราวเพราะว่าใจของลมก็เปลี่ยนไปอยู่เรื่อยสิ่งที่เคยชอบคันได้มาก็า จ, จะมีความสุขมีความเพลิดเพลินแต่พอผ่านไปมันก็ไม่มีความสุขซะละ้มันเบือ่อ มันอยากจะได้อะไรที่มันแปลกกว่านั้นอะไรที่มันมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เคยถูกใจพอผ่านไปมันก็กลายเป็นไม่ถูกใจไปซะและ้วหรือว่ากลายเป็นสิ่งที่ธรรมดาอันนี้ก็เราก็สังเกตได้จากชีวิตของเราซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเท้า หรือว่าโทรศัพท์มือถือข้าวของเครื่องใช้ไอ้ที่เคยไอ้ที่ซื้อมาก็เพราะมันถูกใจแต่ก็อยู่ไปอยู่ไปก็กลายเป็นเบื่อไม่ใช่แค่ไม่ใช่แต่สิ่งของและสิ่งที่เป็นนามนธรรมเช่นตำแหน่งเกติยศนะคนที่อยากเป็นครูใหญ่ ตอนที่ได้เป็นก็มีความสุขแต่พออยู่ไปอยู่ไปเป็นคููใหญ่ไม่ได้สามสี่ปีมันเริ่มเบือ่อใจจะเป็นผู้อานวยการม้างนะหรืออยากเป็นอะไรที่มันใหญ่กว่านั้นอาจจะอยากจะเป็นสอสอแทนหรือเป็นนายกอบาตเพอมันดูโก้มันดูเก๋ดูมีอำนาจมากกว่า และสิ่งที่ถูกใจมันก็เป็นของชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ต้องแสวงหาไปเรื่อยๆจนบางทีมันแสวงหาไม่จบไม่สิ้นอันนี้เป็นธรรมชาติของผู้ที่แสวงหาความถูกใจนะไม่ต่างจากนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวไปเรียกว่า จากเที่ยวเมืองไทยทะลุโปร่งแล้วมันก็ไม่มีความสุขมันต้องไปไกลกว่า น, นั้นไปประเทศเพื่อนบ้านไปแล้วก็ยังไปช็อกพักก็เบื่อจะจะไปข้ามโทวีแล้วก็แสงหาความพอใจความถูกใจไม่จบไม่สิ้นแต่ว่า มันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวเพราะว่าเจอความไม่ถูกใจเจออุปสรรคเจอความยากลาบากซึ่งเป็นธรรมดาของชีวิตสิ่งที่ไม่ถูกใจนะเราทางทัพพาเรียกว่าอนิจฉารมลรูปรสกลิกก่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจลรือนั่งเหตุการณ์เรียกว่าโลกธรรมแปดแต่ที่มันเป็นปัญหาจริงคือโลกธรรมสี่ที่เป็นฝ่ายลบ คือเสื่อมลาบเสื่อมยศ ด, ดินทาและทุกข์ไอพวกนี้เนี่ยมันก็คือสิ่งทุกคนต้องเจอถ้าเราแสวงหาแต่ความสะดสบายติดสุขติดสบายพอมาเจอสิ่งเหล่านี้เข้ามันก็เกิดความทุกข์เกิดความขับแค้นเกิดความเศร้าเกิดควา ม, ก, วามกัดกลุ้มวิตกกังวล อยงตรงข้ามถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ที่ดันเนิ้อีชิดอย่างนักสำรวจเราคิดที่จะตั้งใจที่จะเรียนรู้จากทุกสิ่งแม้ว่าจะเจอสิ่งที่เป็นรบนะทำงานแล้วล้มเหลวคนธรรมดาคนส่วนใหญ่ก็จะทุกข์อาจจะวอยวายเสียอกเสียใจแต่คนที่ายรู้เขาก็จะพบว่า อะไรมันทำให้เกิดความล่มเหลวขึ้นความล่มเหลวก็มันก็ให้ความรู้กับเราเวลาเงินหายของหายคนส่วนใหญ่ก็เอาแต่เศร้าโศกเสียใจขับแค้นแต่คนที่ไฝ่รู้เนี่ยนะเขาจะมองว่าเนี่ย เขาได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเหตุการณ์เหล่านี้จะอาจจะเรียนรู้ว่าเออเป็นเพ่เราประมาทเป็นพ่อเราสุพระสเผ่าเผเลอเลิเลอเลอืเลอกจจรู้ลึกไปกว่านั้นว่าเออมันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันอยู่กับเรา มันไม่ได้เป็นของเราจริงๆนะมันเป็นของชั่วคราวอันนี้ถือว่าได้ความรู้นะถือว่าได้กําไรนะเสียของเสียทรัพย์แต่ได้ปัญญาได้ความรู้ความเข้าใจในศาสนาธรรมเวลาเจ็บเวลาป่วยนะคนที่แสวงหาความสุขความสดสบายก็เอาแต่ตีโพยตีพายทาไมต้องเป็นฉันแต่ถ้าเรา เป็นคนที่มีใจใฝ่รู้อย่างนักสํารวจเนี่ยเออเราก็จะได้เรารู้หลายอย่างนะว่าที่เจ็บป่วยนั้นเนี่ยเป็นเพราะอะไระเป็นเพราะเราพักผ่อนน้อยไปเป็นเพราะเราไม่ออกกําลังกายเป็นเพราะเราไม่คุมอาหารเป็นเพราะเรานะเครียดเกินไปก็ทําให้สามารถจะ ปรับปรุงการใช้ชีวิตให้มันดีขึ้นหรื อ, อยิ่งนะคือการได้เห็นนะเออสังขารร่างกายนี่มันไม่เที่ยงนะเคยเดินเทินไปไหนมาไหนได้แต่ตอนนี้แม้แต่เดินแค่ก้าวเดียวหรือแม้แต่ลุกจากเตียงก็ปวดอาการเดินไปเข้าห้องน้ำกลายเป็นเรื่องที่ยากนะแสนสาหัสเพราะร่างกายมันไม่เป็นไปดังใจมันไม่ ยอมอยู่ในอำนาจของเราผมก็ได้เห็นเลยนะทั้งอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาเห็นว่าร่างกายมันสิ่งที่เปราะบางมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ให้ความสุขหรือหวังพึ่งความสุขจากมันได้อันนี้เราทุกขังหรือว่าเห็นความพร่องของร่างกายก็ไม่สมบูรณ์พร้อมอันนี้ก็ทุกขัง อนัตตานี้ก็เห็นชัดจากการที่สั่งร่างกายไม่ได้สั่งให้มันเป็นไปดังใจก็ทําไม่ได้เดี๋ยวว่าจะกายเลยใจก็เหมือนกันอารมณ์ที่โหนดหงิดอารมณ์ที่เหงาหรืออารมณ์ที่เดือดดานจะสั่งให้มันสงบสั่งให้มันเย็นแล้วก็ทําไม่ได้ แต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ฝ่รู้จริ ง, รง ๆ, ๆก็จะพบว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรที่โมโหโกรธา ท, ที่มีความหงุดหงิดนะกังวล น, นี้เป็นเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นเองเลยลอยมันมีเหตุมีปัจจัยถ้ามป็นผู้ฝ่รู้มันก็จะเห็นนะมันก็ได้ความรู้ เพราะนั้นเไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบวกหรือลบนี่มันก็เรียกว่าดีทั้งนั้นดีตรงที่ได้ความรู้ทีแรมก็เห็นว่าร่างกายจิตใจนี่ไม่เที่ยงหม่ๆก็อาจจะเข้าใจว่าออมันเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมอากาศเช้ายามเช้า ความรู้สึกก็แบบหนึ่งพอตก right e ค่ำก็ความรู้สึกก็แบบหนึ่งอากาศร้อนความรู้สึกก็แบบหนึ่งอากาศเย็นสบายความรู้สึกก็แบบหนึ่งหรือใครพูดดีกับเราเราก็รู้สึกแบบหนึ่งใครพูดไม่ดีกับเราเราก็รู้สึกอีกแบบหนึ่งอาจจะเห็นไปข้างว่าโอ้คนที <them> ่เขาทําดีกับเราวันนี้ไอ้เมื่อวานนี้เขาทากับเราอีกแบบหนึ่งมันเป็นเพราะอะไรนะ เป็นเพราะว่าเราทําถูกใจเขาเขาก็เลยชมเขาก็เลยดีกับเราเพอเราทําให้ถูกใจเขาเขาก็เลยตําหนิเขาก็เลยต่อว่าเขาก็เลยทําไม่ดีกับเราก็ไม่ได้ความรู้นะเรื่องตั้งแต่ว่าเออในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราหรือสิ่งที่คนอื่นทํากับเราหรือคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันก็เอาแน่เอานอ น, อนไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับดินฟ้าอากาศ แล้วขณะเดียวกันก็ได้เห็นว่าออใจของเรามันก็แปรผันไปตามสิ่งแวดลอ้อมไม่ว่าจะเป็นอากาศหรือผู้คนอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ใจของเรามันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวปลอดโปร่งเดี๋ยวหม่งหมองแต่ต่อไปพอเราเฝ้าสังเกตด้วยใจที่ไฝ่รูม้มันก็จะพบว่าจริงๆแล้วนี่ ไอ้ความทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกนะมากเท่ากับว่าเราวางใจอย่างไรใครพูดไม่ดีกับเราถ้าเราวางใจอีกแบบหนึ่งเราก็ไม่ทุกข์ใครพูดดีกับเราแต่ถ้าเรามีความระแวงเราก็ไม่สบายใจว่านี่เขาเสแสร้งหรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยความสุขความทุกข์ความดีใจความเสียใจความปลอดโปร่งความหม่นมองนี่ จริงๆแล้วนี่มันมันอยู่ที่ใจของเรามากกว่าอยู่ที่สิ่งภายนอกไม่ว่าสึ่งนั้นจะเป็นดิน ฟ, ฟ้าอากาศหรือผู้คนมันก็เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆนะว่าจริงๆแล้วนี่สุขหรือทุกข์เนี่ยมันก็อยู่ที่ใจเราซึ่งก็ทําให้เราเนี่ยมีสละเพราะว่าพอเรารู้แบบนี้แล้ว <c oughs> เราก็จะไม่ยอมไม่เพ้อ เราก็จะดูแลจิตใจังให้ดีไม่ปล่อยใจให้ตกอยู่ภายใตา้าการครอบงำหรือการบงการของสิ่งภายนอกนันคนที่ใช้ชีวิตอย่างนักสำรวจเนี่ยคือเป็นผู้ที่ไฝ่รู้เนี่ยแม้ว่าชีวิตเนี่ยมันจะไม่ราบรื่นและจะมะีความสูญเสีย พ, พราดพลาดความเจ็บป่วยหรือว่าเจอคนที่ไม่น่ารักอยู่ รอบตัวอยู่เยอใกล้ตัวก็สามารถที่จะรักษาใจให้เป็นปกติได้ในขณะที่คนที่ใช้ชีวิตยอย่างนักท่องเที่ยวแสงหาความถูกใจในส่สุดก็จะไม่สามารถพบ ก, กับความสุขความสงบได้เลยเพราะว่าไอ้โลกที่อยู่รอบตัวเขาหรือช่วงเขานี่ มันก็เต็มไปได้วยสิ่งที่ไม่ถูกใจและจะมาวัดนะมาวัดเพื่อแสวงหาความสบายใจแต่ถ้าหากว่าไม่มีความเข้าใจนะว่าอะไรอะไรที่อยู่รอบตัวเราหรือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยมันก็ไม่สามารถเป็นไปดั่งใจได้การมาแสวงหาความสบายใจที่วัดนะมันก็จะลงเอยด้วยความผิดหวังด้วยความเครียด มันก็ไม่ต่างจากคนที่อยู่นอกวัดนะเป็นคนที่อยู่นอกวัดนี่เขาสวงหาความสบายกายหลายคนก็เห็นว่าความสบายกายนี่มันมันมีของชั่วคราวสู้ความสบายใจไม่ได้ความสบายใจคือความสงบแต่พอไปปรารถนาหรือหวังความสงบจากสิ่งแวดล้อมจากสถานที่จากผู้คนแวดล้อมอันนี้ก็จะมักจะลงเอยด้วยความผิดหวังหรือความทุกข์ เพราะว่าสิ่งที่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือผู้คนเนี่ยมันก็ไม่ใช่่าจะถูกใจเราไปตลอดหรือเสมอไปแต่ถ้าว่ารู้จักแต่ถ้าหาไม่คาดหวังจากชีวิตว่ามันจะต้องให้ความสะดวกสบายกับเราไม่ได้อยู่ไปเพื่อสวงหความสะดวกสบายหรือเอาความสะดวกสบายมาเปนเปิดตนแต่มุ่งที่จะหาความรู้เรียนรู้จัก ชีวิตเรียนรู้จักประสบการณ์เรียนรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างเรียนรู้มากรทั้งจากกายและใจของตัวไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับชีวิตไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับกายและใจมันก็ดีทั้งนั้นเพราะมันทำให้ได้ความรู้อย่างมาภาวนาอย่างมาเจริญสติมาปฏิบัติธรรมถ้าไม่ได้สดงความสงบ พอติดสงบแต่ว่ามาเพื่อที่จะเรียนรู้กายและใจปวดเมื่อยมันก็ได้ความรู้หรือว่ามีความเครียดหรือมีความมีอารมณ์เครียดอารมณ์โกรธเกิดขึ้นในใจก็ได้ความรู้ได้เห็นอารมณ์ต่างๆว่ามันมีสภาวะอย่างไรแม้กระทั่งตัวหลงความหลงมันมีสภาวะอย่างไรเราก็ได้รู้แล้วเราก็ได้เห็นมันก็ไม่เที่ยง มาแล้วก็ไปความกลัก็เช่นเดียวกันความทุกข์ก็เช่นเดียวกันมาแล้วก็ไปและถ้าว่าเราพร้อมที่จะเรียนรู้จักทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจไอ้ความเครียดความหงุดหงิดผิดหวังก็จะน้อยนะอารมณ์ความหงุดหงิดผิดหวังความเครียดมันก็เกิดขึ้นเฉพาะคนที่แสวงหาความสงบในจิตใจพอใจไม่สงบนะก็ผิดหวังก็หงุดหงิด พอมันมีความคิดฟุง้งซ่านเกิดขึ้นมากมายก็หงุดหงิดเพราะมันไม่เป็นไปดั่งใจเพราะมันไม่ถูกใจแต่ถ้าหากว่าปฏิบัติเพราะต้องการรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับใจอะไรอารมณ์ใดเกิดขึ้นกับใจ ก, ก็ได้ความรู้ทจริงเนี่ยถ้าวางจะเป็นแบ บ, แ บ, บนี้นะพอเจอทุกเนี่ยนะแทนที่มันจะเป็นทุกมันก็จะกลายเป็นรู้ทุกไป พอผู้เจ้า ก, ก็สอนนะว่าเนี่ยความทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรูนะ้อันนี้คนที่ไม่คนที่แสวงหาความสบายมันจะไม่เข้าใจนะว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้ได้อย่างไรแต่คนที่ใยรู้เนี่ยก็จะได้เปรียบนะเพราะว่าเมื่อมีทุกข์แล้วนะเราก็รู้จักก็ควรจะรู้ทุกข์ถ้าเรารู้ทุกข์เราก็ไม่เป็นทุกข์ถ้าคนที่ใยรู้เนี่ ย, เ, ยเจอทุกข์เนี่ยเขาจะพยายามรู้ทุกข์รู้จักทุกข์ให้มากขึ้นว่ามัน มีสภาวะอย่างไรเกิดจากอะไรส่วนคนที่แสวงหาความสุขสบายพอเจอทุกข์ก็จะหงุดหงิดโวยวายตีโพยตีพายกลายเป็นเข้าไปเป็นผู้ทุกข์ก็เลยทุกข์หนักขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในการไม่ว่าจะดำเนินชีวิตหรือจะเป็นผู้ปฏิบัติก็ตามนให้เราพยายามรักษาท่าทีหรือสำนึกนะของการเป็นผู้ฝ่รู้เอาไว้อย่าเป็นผู้ฝ่เศษอย่าเป็นผู้แสวงหาความสุขสบาย แต่เป็นผู้ที่พร้อมที่จะเรียนรู้จักทุกเจอทุกก็ยอมรับแล้วก็เรียนรู้จักมันอย่างนี้แหละจึงจะก้าวจากทุกได้